พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หสิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเจดี JD หลวงตาณที่แห่งใหม่ และก็วันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมพุทธจักราช2557เมื่อวานคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็พร้อมกับพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรลูกสาวของทุนกระหม่อมฟ้าญิงยุราพร เออได้นั่งเครื่องมาตั้งแต่วันที่สมาลงที่อุดรแล้วก็มาพักแรมที่อุดรวันที่สีนุวานนี่ลเข้าไปดูก็ไปกราบเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์สุดใจแล้วก็เข้าไปดูภูมิทัศน์ที่วัดป่าบ้านตาที่จะลงสถานที่เจดีใหม่ไอ้ที่ลงที่ตรงใหม่ คือจะย้ายจากที่วางศิลาฤกษ์ที่พระราชทานเพลิงศรีระสังขารขององคหลวงตาย้ายมาที่ใหม่ที่ใหม่นเป็นที่กว้างขวางที่ตรงนั้นที่พระราชทานเพลิงนเป็นที่คับแคบทางคณะกรรมการก็ได้มองเห็นจุดนี้แต่ในทางผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็ถ่ายภาพทางอากาศถ่ายภาพดังดาวเทียมว่าวัดป่าบ้านตาดทั้งหมดที่อยู่ในกำแพงเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็อยู่นอกกำแพงที่เป็นโฉนดที่ดินของวัดป่าบ้านตาดเท่าไหร่ที่เป็นคลองน้ำที่น้ำไหลผ่านผ่านอย่างไรกัที่ดินที่ที่จะตรงที่จะ วางที่จะสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์นั้นตรงไหนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ให้ที่ดินจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอทาแผนผังแผนที่ที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ข้อไปถวายเจ้าอาวาสของพ่อถุดใจจากทัานก็จะได้วางผังกันแผนกันว่า เจดีย์จะลงตรงไหนพิพิธภัณฑ์จะลงตรงไหนแต่หลวงพ่อทราบๆราบคร่าวๆว่าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่รูปทรงนั้นคูจะเท่าๆเดิมแต่ว่าความสูงของพระเจดีย์ถ้ามาอยู่ใกล้ที่พระประธานเพลิงอยู่ใกล้วัดตรงนั้นคงจะเป็น38เมตรความสูงนะเท่าๆกับมงคล38 แต่ถ้าออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอยู่ในที่โล่งที่กว้างเป็นที่เวงว่างแเราจะไปทํา38ิเนี่ยคงจะเตี้ยเกินไปก็เลยก็ว่าอย่างน้อยก็ต้องสัก5 0เมตรความสูงคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านั้นแะแต่ส่วนอื่นก็คงจะรูปทรงรูปลักษณะก็คงจะเท่าๆเดิมหรืออาจจะมีการกว้างขวางใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบ้าง อันนี้กัหลวงพว่อก็ยังไม่ชัดเจนแต่ยินแต่สถาปนิกผู้ออกแบบพูดคร่าวๆให้หลวงพ่อฟังนะจากนั้นเขาก็ออกที่ใหม่นะก็คงจะประตูพระเจดีย์จะหันมาทางไหนก็คงจะถ้าเป็นไปได้ก็จะหันมาทางพระราะทานเพลิงสริละสังขารคือให้เหมือนกับใครๆไปดูอะไรของขมน ที่ประตูทะลุกันมองทะลุกันนะลักษณะอย่างนั้นะอันนี้ก็คือให้เกี่ยวเนื่องกันตรงที่พระเจียดีหรือว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าที่พระราชทานเพลิงจารีละสังขารองหลวงตาแล้วก็ที่ละสังขารของหลวงตาอยากจะให้มันเป็นเกี่ยวเนื่องกันลักษณะอย่างนั้นนะ่ะที่สถาปนิกเขาออกแบบนะอันนี้ถ้าคอยคอยดูพวกเรามีแต่เตรียมจต่งไว้ถวาย มอบให้เท่านั้นแะ่ะแต่จะต้องใช้เงินมากพอสมควรอยู่แต่ก็ไม่หนักใจนะไม่หนักใจเท่าไหร่แล้วก็ยังเหลือบริเวณปรับภูมิทัศน์สระน้ําบังกําแพงบังที่จอดรถบังปลูกต้นไม้บังมันก็หลายบังเหมือนกันนะอกวาเดเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยอันนี้ก็พวกเรามีแต่เตรียมสตังแต่ของเราเนี่ยก็ประวัลนาไว้นะ กลุ่มของเราวัดป่านาคมน้อยของเรากลุ่มของเราเนี่ยประวรณนาไว้ห้าสิบล้านบาทในหลวงพ่อพูดไว้กับทุนกระหม่อมฟ้าหญิงวันวางซีลกนี่แหละอันนี้ก็คือเจดีเพราะพวกเราก็คงอยากจะทราบอยากจะรู้ว่าเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาไปไหนแล้วกาลังขยับนะกำลังเคลื่อนแลวก็ประวานกลุ่มที่ มาดูมาดูสถานที่ที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาคณะอาจารย์ก็ได้โทรมหาหลวงพ่อว่าถ้าว่างวันที่หกพระองค์เจ้าสรลิพาจุทาพรอาจจะเสด็จมาที่วัดของหลวงพ่ออาจจะไปถึงภูก้อนด้วยพูวัดหลวงพ่อด้วยอันนี้ก็ยัง อย่างห0 5สิบห้าบถ้าฟ้าฝนไม่มีอะไรแต่ท่านองค์ท่านขององค์เจษเดชคงจะมาที่วัดของเราแต่ท่านเคินท่านก็เคยมาแล้วละเคยมาสองครั้งนะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดครั้งแรกหลวงพ่อพามาแล้วก็พาขึ้นไปภูก้อนแล้วก็ลงมาคิดว่าจะมาแวะที่เจดีพวกตำรวจ ผู้นำทางเนะ่ยไม่พาแวะพราะเราไม่ได้พูดกันไว้ก็เลยมาวัดเราพอมาครั้งที่สองพระองค์ท่านมาตามลําพังขึ้นไปเกดีด้วยแล้วก็ไปพระใหญ่ด้วยแล้วก็มาแวะที่วัดของเรานะครั้งที่สองอันนี้เป็นครั้งที่สามท้าพระองค์จะเสด็จมาอีกนะมาที่วัดของเราหลูกสาวเจ้าฟ้าหญิงองค์เล็กพระองค์เจ้าสิทธิพาจุธาภรณ์ เียเมื่อวันที่สี่นวันที่สี่กรกฎาเนี่ยที่หลวงพ่อกับคณะสงฆ์วัดป่านาคำน้อยสิบโรคได้เข้าไปในวังจักรีวงกตก็ได้ไปฉันฉวดมนฉันที่นั่นก็ได้พบกับพระองค์เนพรพงค์พาก็ได้พูดพูดเกี่ยวกับเจดีไม่มากแต่ปารบถึงพระเจดีขององค์หลวงตา สรุปแล้วก็คือทั้งทุนกระหม่อมแม่คือพวกทุนกระหม่อมฟ้าหญิงตุลาพรห ม, มแม่กับเนี่ยกระมอบให้ลูกสาวคนนี้ละเป็นผู้ดแูแลกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิีปาากรที่จะสร้างเจดีย์ถวายบูชาพระคุณองค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อก็ว่าเป็นสดิเป็นมงคลอย่างมาก คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่มีแต่พวกเราสร้างก็ได้แต่ถ้าว่าทุกกลุ่มหมู่เราทั้เบื้องสูงแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความเคารพ บ, บูชาพระคุณหลวงตาก็จะเกิดประโยชน์อย่างอย่างมากต่อแผ่นดินไทยเพราะเหตุไรเพราะว่าองค์หลวงตาของเราก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้ยินได้รู้ได้เห็น ทั้งคุณธรรมท่านก็เลิศเลอเ อ, อ, อยู่แล้วตัวของท่านเองแปลว่าสมบูรณ์บริบูรณ์และจากนั้นท่านก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงรู้แก่จิตแก่ใจของพวกเราประเทศชาติบ้านเมืองจะล่มจมจีหายท่านก็ยังมีเมตตาออกมาช่วยชาติบ้านเมือง ก็เป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจของพี่น้องคนในชาติในเมื่อท่านจตินิรพานไปแล้วพวกเราจะไม่มีแสดงซึ่งน้ำใจใ ช, ช่วยกันจะเลย<ม>เป็นไปได้หรอนี่แหละอันนี้ก็คือทุกหมู่ทุกเราควรจะแสดงออกซึ่งน้ำใจเพื่อเป็นการเชิดชูบูชาองค์หลวงตาตรวงพ่อว่าเป็นมงคลมหามงคลยิ่งที่ คณะสิทธญาุสิทธิ์หรือคนในชาติอย่างชาติไทยที่ได้ร่วมการสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ถวายองค์หลวงตาอันนี้ก็คือตรงพ่อได้เล่ามาให้กับพวกเราฟังเพื่อเป็นแนวความคิดบันทึกเรื่องราวไว้เพื่อต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้รู้ว่า เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยเป็นมาอย่างไรเนี่ยแหละกำลังเริ่มขึ้นมาใหม่ที่จะก่อขึ้นมาใหม่ก่อขึ้นมาได้อย่างไรพวกเราก็จะได้ฟังแนวความคิดที่หลวงพ่อได้แจ้งให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ถึงยังไงก็ตามหลวงตาที่ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังที่ที่จะพวกเราที่เป็นที่ยอมรับอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าโด่งดังขึ้นมาแบบลอยๆท่านสร้างคุณงามความดีของท่านมากมายพวกเราได้อ่านประวัติของท่านหรือหยดน้ำบนใบบัวหรือแนวความคิดขององค์ท่านท่านแสดงธรรมต่างกลําต่างวาระหรือการแสดงออกการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกระหว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติใจของท่าน ท่านรับรองท่านก่อนท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มาเกิดอีกแล้วที่วัดดอยธรรมเจดีอันนั้นคือท่านประกาศในตัวของท่านในเมื่อประกาศจุดนั้นแล้วท่านก็ช่วยประโยชน์ตนของท่านสำเร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะจะช่วยท่านอีกแล้วเพราะประโยชน์ของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ร0 0เปเซ์ ไม่มีอะไรที่จะบกพ้องจากนั้นท่านก็ช่วยเหลือชุมชนประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านท่านก็ช่วยเหลือประโยชน์ท่านสิ่งไหนที่ท่านพอจะช่วยได้ท่านก็ช่วยเหลือช่วยเหลือท่านให้โรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างให้กระทั่งหมาพิการให้กระทั่งอาหารหมาหมาถูกรถเฉี่ยวรถชนหรือหมาจะได้จัด ไปเลี้ยงไว้แต่หลวงตายังเอาเงินไปให้เลี้ยงกระทั่งหมาเลี้ยงกระทั่งคนในคุกในตารางสร้างพาไปเห็นเข้าไปดูเขาดิมน้องตาไปดูคนในคุกในตารางล้นคุกอไม่มีที่จะนอนะลงตายังไปสร้างตึกให้ตั้งสองหลังสามสี่ชั้นสําหรับให้คนได้นอนครับนี่แหละ อันนี้ลงตาท่านมองไปทุกหัวและแหงจากนั้นท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นธรรมะที่ออกทุกวี่ทุกวันแต่เดือนนี้ก็ในวัดของเรากระั้งไปเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองแต่อีกไม่นานก็คงจะออกแล้วล่ะขออนุญาตได้แล้วตรวจเช็คได้แล้วอีกไม่นานวิทยุของเราในวัดของเราคงจะออกธรรมเทศนาของหลวงตาเหมือนเดิม นี่แหละการแนะนำสั่งสอนหรือว่าธรรมเทศนาของหลวงตาการแนะนำธรรมภาคปฏิบัติหลวงพ่อว่าไม่มีองค์ไหนในประเทศไทยพูดอย่างนั้นได้เรื่องจิตภาวนาท่านเน้นหนักเรื่องภาวนาหาเรื่องค้นทุกข์แนวแถวปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นท่านยืนยันท่านยืนยัดพูดเอามาจากความจริงอย่างสมัยเมื่อ ไม่นานก่อนที่ท่านจะล่วงลับดับขันไปประมาณชักสามสปีให้หลังเมืองไทยเขาก็บอกว่ า, านิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตาพวกนิพพานเป็นอัตตาใครๆบอกพระพุทธเจ้าขึ้นไปสูงนิพพานแล้วก็ยังลงม า, เ, าเราจึงมาขอพรใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้นิพพานเป็นอัตตายังเป็นมีตัวตนอยู่ แต่พวกหนึ่งก็บอกว่านิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มองไม่เห็นเพรา ะ, ะนิพพานก็คือจบหายไปเลยเป็นนิพพานไม่มีมีความเยื่อใยอะไรมีแต่พระคุณนั้นเองแต่เรื่องผู้ที่จะเข้าสู่นิพพานก็คือเข้าสู่ไปอีกมุมหนึ่งนิพพานเป็นอนัตตาแต่ทีนี้เขากลคนทั้งหลายเขาเอา ในฐานะที่องค์หลงตาเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันเนี่ยถามองค์หลงตาสิดวงตาจะมีความเห็นว่ายังไงเนี่ยมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะน่าสนใจเหมือนกันตรงพ่อฟังวังฟังดูข่าวนะั้นรู้สึกควาเมืองไทยของเราไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นเขาก็ไปถามหลวงตาว่าหลวงตาครับออนิพพานเนี่ยเป็นอัตตาหรืออนัตตานะหลวงตาก็นิ่ง หลวงตาตอบออกมาว่านิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่อนัตตาเนีนิพพานน่ยอัตตาเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าอัตตายัางเป็นตัวตนอยู่จะเป็นนิพพานได้อย่างไรนิพพานเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่เพราะอนัตตาเนี่ยเป็นกุญแจเปิดเข้าสู่นิพพานเปิดประตูเข้าสู่นิพพานคือถ้าใครก็ตามไม่ได้พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะถึงนิพพาน เป็นไปไม่ได้ไมันต้องถึงอนัตตาซะก่อนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนปฏิเสธทั้งหมดอันนี้แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออนัตตาเนี่ยเป็นกุญแจหรือว่าที่จะเปิดเข้าสู่นิพพานพอเปิดเข้าไปแล้วนี่ยนิพพานนอกเหนือจากอัตตาอนัตตานอกเหนือจากอันดิจังทุกขังอนัตตาเลยจากนั้นไป นั่นแหละคือนิพพานลงตาบอกว่านิพพานเยหมือนกับเราเปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปแล้วเลยจากนั้นไปเป็นนิพพานนอกเหนือจากสมมุติสมมุติไม่รู้จะสมมุติใส่อันไหนสมมุติไม่ได้มันเป็นมิติหนึ่งพูดได้แต่ว่านิพพานเราจะว่านิพพานเป็นรูปกลมรูปสวยรูปหลีรูปอมีความสุขสนุกสบายนะอย่างนั้น มันพูดไม่ได้ทั้งหมดนอกเหนือจากสมมตินี่แหละอันนี้ก็คือลงตาชี้แจงได้ชัดเจ น, นสําหรับผู้ปฏิบัติแล้วฟังแล้วก็เข้าใจใ น, ในที่ดวงตาแนดวงตาบอกลงตาชี้แจงนี่แหละอันนี้ก็คือความชัดเจนในการปฏิบัติขององค์หลวงตาจากนั้นก็ผู้ที่จะไปสู่นิพพานจะไปเดินไปสู่มรรคสู่ผลจุดนั้นได้นะ จะเดินอย่างไรเนี่ยลงตาท่านก็ บ, บอกสายลงปูมันท่านก็ บ, บอกว่าสําหรับพกชาวบ้านทั้งหลายกา็คือมีทานมีทานก็คือให้มีน้ําใจเสก่อนอคนขี้ตะนีทีเหนียวไม่มีน้ําใจไม่มีการให้อภัยกับใครๆเลยเนี่ยจะเห็นแต่แก่ตัวอยู่ตลอดนจะไปได้อย่างไยต้องเป็นภูมิมีน้ําใจพอสมควรเ อ, อื้อเฟื้อ อ, อื้ออารีมีน้ําใจเมีการเสียสละอ อันไหนควรปฏิบัติตนยังไงคือปฏิบัติให้เป็นสัมมาทิฏฐิน่ยพูดได้ง่ายเน่คิดเป็นทำทำเป็นธรรมพูดเป็นทรใช่จะก่อนใช่จากนั้นก็เมื่อมีทานแล้วก็มีศีลรักษากายวาจาของตนเองอย่าให้มีโทษคือให้มีศีลห้าให้มีศีลแปให้มีศีลสิบสอยี่สิ็นียให้มีศีลเป็นสำรวมกายซะก่อนจากนันก้นดูเรื่องของใจใจก็ต้อให้มีสมาธิ คิดเรื่องอย่างคิดยังไงจึงจะคิดในทางที่ถูกต้องคิดยังไงจึงจะทําจิตให้สงบคิดไม่ให้ปุ้งไม่ให้ฟุ้งไม่ให้สาดไม่ให้ออกคิดออกนอกหลู่นอ ก, นอ ก, ก, นอกทางให้มีสติสัมปชัญญะในแนวความคิดในเมื่อมีสติสัมปชัญญะในแนวความคิดจิตใจของเราก็รวมสงบเมื่อรวมสงบแล้วนํามาพิจารณาตั้งการกรองไตรตองเหตุและผลอันไหนเป็น ทุกขังอันไหนเป็นอนิจจังอันไหนเป็นอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งแต่ตายสลายสู่ดินน้ําลงไฟมีแต่ใจคือมโนเท่านั้นมโนคือใจนี่นนะ่ะเออที่จะไปไปสู่มรรคสู่ผลถ้าว่าชําระใจดวงนั้นซะชําระยังไงชําระใจนั่นแหนะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวาง นี่แหละอันนี้ต้องศึกษานะนต้องศึกษาในรายละเอียดเพราะวิชาทางโลกก่อนที่เราจะจบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กฎหมายเรายังเรียนมือลูกกี่ปีขนาดหมอฟันเรียนฟัน32มสิบเสี้นั้นน่ะเรียนทั้งหปีนะจึงเสร็จนะจึงจบได้ขนาดนั้นยังเฉพาะทางไปอีกอยังเหนือกว่านั้นไปอีกนะอันนี้เรื่องมรรคเรื่องผลที่จะรือพบหรือชาติของพวกเรานะ พวกเราจะเพียรเรียนเพียงบลอมบลแแบมขี้เกียจขี้ค้านบ้างทั้งหลับทั้งนอนบ้างทั้งสนุกสนานไปบ้างเรียนไปบ้างอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราจึงอดนอนพ่อนอาหารแบกกดพลายตะพายบาดเข้าไปอยู่ป่าดงพงไพ่อยู่ในถ้ำในเหวในภูผาป่าไม้รอดลม้มรอดตายเอาชีวิตเสี่ยงท่านไปภาวนาของท่านจึงท่านท่านจึงได้ สำเร็จมรรคสำเร็จผลนั่นแหละอันนี้ก็คือการศึกษาการเรียนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปริยัตเมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติก็จะได้รับผลถ้าผู้ใดทําจริงจังปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้รับมรรครับผลตามแนวแถวที่พ่อพ่อใจเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมา และท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราประนันขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะนแนวแถวการประพฤติปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและตอนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร